ของเราทั้งหลายนี่ใครสวรดมงคลสาสิบแปดได้บ้างเนาะในห้องเราเนี่ยยกไปสวดเป็นภาษาบาลีนะคุณหมอมันลบได้ก็คิดเข้าใจว่ามีหมออยู่คนเดียวนี่แหละที่รักษาไข่พร้อมทั้งสวดพระปริศด้วยรับทารับสวดพระปริตด้วยนะ เฉพาะญาตินะลองสวดมงคละสวดพร้อมๆกันเป็นภาษาบาลีนะพระหูเทวาโมสะาจามังคลานิอาจินตยยงอากังขมนาโสทานังพระหิมังคะลโมตตมัง อาเสวนาจะพาลานังปัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะเนียนังเอตตัมังขลโมตัมังปติรูปะเทสวาโสจะปุเพจักตะปุญญตาอาตตาสัมมาปณิ เอตัมมังคลโมตัมังภาวุสจัจจเซปัญจวินโยจัสุสิกขิตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลโมตัมังมาตาปิโตุปัต นางปุตตะธาราสังขโหอนาคุลาจักรรมันตาเอตัมมังคลโมตตาแมงธานันจะกธรรมะจริยาจะยาตกานั้นจะสังขโหอนาวัตนิกรมมานิเอตัมมังคลโมตตาแมงอารติวิระติ มาจปานาจะสัญโมอาปมาโทจะทำเมสุเอตํมคาลโมตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทิจกตันกาเลนธรรมมาสวนาังเอตํม คัลโมตมังขันติจัสมวาจัสตาสมานัณัจทาสนังกาเลนะธรรมะสาการชาเอตัมังขัลลัมตัมมัปโปจัพรัมมจาริยันจาริยสัจนาทาสนังเนพานาสัต จะเอตัมมังคละโมตัมมังโพทาสโลกธรรมเมหิจิตยาสานกรมปติอโศกังวีรชังเขมังเอตัมมังตมังเอตาทิสานิกาตวานาสะพัทธมปราชิตาสะพัสสด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 ในบรรดาคุตตานิกายมีอยู่สิบห้าประเภทนะนนี้ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าคุตตะปาฐะคุตตะปาฐะก็มีเนื้อหาหลักๆอยู่เก้าเรื่องนะนี่เก้าเรื่องเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งก็เรียกว่าเรื่องไตรสารณคมเรื่องการถึงสาระเลยนะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของศิกษาบทสิบนะเป็นเรื่องของศีลนะนี่ เรื่องที่สามเรื่องอาการสามสิบสองเรื่องที่สี่เรื่องสัมมาเนนปัญหาเรื่องสัมมเนนปัญหาเรื่องที่ห้ามงคลสูตรเรื่องที่หกรัตนะสูตรเรื่องที่เจ็ดติโรกุทธสูตรเรื่องที่แปดนิธิกันสุดท้ายเมตสูตรเรื่องเมตตา ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะเป็นคำภีที่มีเนื้อหาเล็กน้อยที่สุดจึงใช้คำว่าคุธกะปาฐะก็ไม่ผิดอะไรเพราะมีเรื่องอยู่แค่เก้าเรื่องเองแล้วก็เป็นเรื่องที่เขานิยมสวดกันนะเป็นเป็นเรื่องที่นิยมสวดกันในงานมงคลต่างๆนะนอย่างพุทธังสรนังคัจฉามิเราก็ใช้ใช้บ่อยมากเลยใช่ไหม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 านาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามีเรื่องศีลนี้ก็นับว่าเป็นหัวใจที่สําคัญอันดับสองหลังจากถึงตไตรสารนครก็ต่อด้วยเรื่องศีลทีนี้เมื่อผู้ที่มีศีลดีก็เจริญกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานที่มีอุปการะมากกรรมฐานที่มีคุณมากต่อการปฏิบัติก็คือการเจริญอาการสาสองนันะการสาธยายการพิจารณา อาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยนะหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเป็นต้นเนี่ยนะทันกรรมฐานเหล่านี้ก็ก็สามารถที่จะเอาไปเจริญได้เอามาพิจารณาได้เนี่ยนะท่าเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นกรรมฐานเป็นสมาธิภาวนาส่วนเรื่องที่สี่เกี่ยวกับสัมมนนตัญหา สัมเนนปัญหานั้นเป็นธรรมะประเภทปัญญาเลยเป็นปัญญาศิขาถ้าถ้าเรียง ต, ตอนแรกเลยนะทวนว่าสา ร, สาระคมคือการถึงสะอันนี้ถือเป็นใช่ไหมเมื่อถึงสาระแล้วสองต่อด้วยศีลศีลสามกรรมฐานคืออาการสามสิบสองสี่วิปัสนาหรือเรื่องปัญญาเรื่องปัญญานั้นอยู่ในสัมเนนปัญหา เ ป, เป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญญาตรงๆทั้งสารณคมศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั้นเป็นมงคลเพราะฉะนั้นจึงต่อด้วยมงคลนี้ก็มาขึ้นมงคลทีนี้ถ้าผู้ที่ได้มงคลเนี่ยนะก็ตั้งอยู่ในรัตนะและลึกถึงคุณพระรัตนะตรายอ น, นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับรัตนสูตรนั่นเองส่วน เราดูในหน้า119เกนี่ยนะก็จะเห็นที่กล่าวตามลำดับบัดนี้ถึงการพันนาความแห่งมงคลสูตรที่ยกเป็นบทตั้งต่อลำดับจากกุมารตันหาในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์แห่งบทตั้งแล้วจึงจากพันนาความแห่งมงคลสูตรนั้นถามว่าอย่างไรเล่าความจริงทรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ไม่ได้ตรัสตามลาดับ ถ้าลำดับเทสนานะไม่ได้แสดงแนวนี้หรอกอ น, นะเพราะว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยอยู่คนละเมืองคนละเมืองอยู่ตามที่ต่างๆแต่ข้าพเจ้ากล่าวเพื่อแสดงว่าการนับถือพระาศาสนาด้วยการถึงสารณะพระสังคีติกาจารย์เนีเรียงเรียงเรียงขึ้นต้นแห่งการเข้าถึงพระาศาสนานี้การเข้าถึงพระศาสนานี้สําคัญที่สุดคือเรื่องของสารณาคมนี่ยนะ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 อนนะ่ะทำที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วโดยสภาวะหมายถึงอริยมรรคอริยพนิพานและปริยติธรรมอันนี้ก็นับว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะธมมังสารนังขะฉ า, ามิทวนอีกครั้งหนึ่งนะปริยตอริยมรรคอริยพนิพานมีสประการเนี่ยถือว่าเป็น อ, องค์ธรรมที่เรียกว่าธรมมังสารนังขะฉ า, ามิ เพราะว่าธรรมทั้งหมดนี้จะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วสังขังสรานางังฆะฉามิหมายถึงคําว่าพระสงฆ์นั้นหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้ใดที่ตั้งอยู่ในมรรคผลนิพพานผู้นั้นเรียกว่าพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ นั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคาว่าพระอริยสงฆ์ที่เราถึงเป็นสารณะนั้นหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานานะเธอถ้าเรามองเอาสภาวะมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานพระธรรมคําำคำสอนก็สอนเรื่องมรรคผลนิพพานพระอริยะทั้งหลายที่ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลก็บรรลุในมรรคผลนิพพาน ทีนี้มรรคผลนิพพานนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันกับการตรัสรู้อริยสัจนะเพราะว่าอริยสัจมีสี่ประการใช่หมหนึ่งทุกข อ, อริยสัจสองทุกขสมุทัยอริยสัจสามทุกขนิโรธอริยรสัจสี่ทุกขนิโรธคา ม, มินีปฏิปทาอริยสัจทุกขนิโรธทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเป็นชื่อของพระนิพพาน เป็นชื่อของพระนิพพานทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นชื่อของอริยมรรคนีนะอริยมรรคอริยมรรคก็มีอยู่สระดับใช่หมหนึ่งโสดาปฏิมาภ์สองสกทาคามีมรรคสามอนาคามีมรรคสอรหัตตมรรคอริยมรรคทั้งสี่ประการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อั้นผู้ที่เข้ามานับถือพระศาสนานี้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 ทำไวจ้จะธรรมะทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกนนะเพราะธรรมะเนี่ยรักษาผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงแล้วหมู่พระริยาสงฆ์ล่ะเป็นใครพันหัวใจสำคัญที่สุดเบื้องแรกของการเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นคือการถึงไตราสารนาคมการถึงไตรสรนคมนั้นนับว่า เป็นวิธีบวชอย่างแรกที่สาวกบวชให้แก่กันตอนแรกเลยพระพุทธเจ้าเวลาอุปสมบทให้พระภิกษุทั้งหลายท่านจะอุปสมบทด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทาที่แปลเป็นไทยๆว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ถ้าพระ อ, องค์ตรัสเรียกแค่นี้ผู้ผู้นั้นน่จะได้เป็นนักบวชแล้วเป็นพระภิกษุเลยทีนี้ถ้าพระสาวกบวชให้กันะนะขั้นแรก ตอนแรกพระองค์เนี่ยอนุญาตให้บวชแบบถึงไตรสารนาคมเป็นคำบวชพระเลยนะโยมไม่ใช่คำธรรมดานะผู้ทางสารนังขาชามิเนี่ยจากคารวะเป็นพระพิสุทันทีเลยการกล่าวคำนี้นะผู้ทางธรมมังสังคังสารนังขาชามิทุติยัมปิ ต, ตาติยัมปิตเนี่ยตอนหลังมาเป็นคำบรประชาสัมมเนนทุกวันนี้สัมมาเนยังบวช ด, ด้วยคาว่าพุททางสารนังฆาชามิอยู่ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เข้าถึงพระาศาสนาก็พุททางสารนังคาชามนี้เนี่ยนะจะได้ดีจะตกยากจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากพุททางธรรมังสังฆสารนังคาชามีเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ปกปักรักษามไม่ให้ตกไปสู่อบายวันก่อนนี้ถามที่ถามว่าหลายท่านนี่ยังไม่แน่ใจในคติของตัวเองใช่ไมว่าคติในเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร ก็บอกว่าใช่ยังไม่มั่นใจที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นคุณของพระรัตนตรยัยยังไม่ได้มีความมั่นคงในสารณะเลยเราไปที่ไหนเราก็ยังห่างพระรัตนตรยัยแต่แต่อันนี้เป็นคำพูดที่กล่าวทั่วทัวไปนะรวมๆแต่เราทั้งหลายหลายท่านเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็น่าประทับใจนะอันที่จริงเราไปที่ไหนก็ไปเพื่อนะมสการพระรัตนตรัยอยู่นะ โอขึ้นเขาไปถึงดอยตุงโน่นอ่ะนะดอยตุงหรือดอยทงอ่ะนะคุณการตาอ่านว่าไงนะดอยทงไหมตรงก็มาจากคำว่าทงนะก็ไปนะมัสการพระรัตนตรัยนั่นแหละไปกล่าวผู้ทางสารนังค้าฉามิถึงยอดดอยตุงอ่านะเนะมื่อวานไปตั้งโน่นแพร่เนี่ยนะแนะพร่ลำตาง ล, ลําพูนกลับมาเนี่ยก็มากล่าวผู้ทางสารนังค้าฉามิอีกวันนี้มาเรียนก็มาเรียนพู้ทางสารนังค้าฉามิต่อไปอีก แสดงว่ามีความสำคัญมากเนี่ยนะอันจะได้ดีจะตกยากจะเจริญจะเสื่อมก็ดูได้จากคำเหล่านี้เพราะผู้มีสัจทินรีหรือผู้มีศรัทธาก็ดูได้จากตรงนี้คุณบุญชูว่าไงเนะี่ฆ่าให้ตายก็ไม่เลิกนับถือคุณว่าไงุชูก็มีามคาอะไรแปลกๆ แ, แต่ละคำมาใหม่ๆทีนี้ผู้ที่ถึงสรณะเนี่ยนะมันเป็นเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าใครที่หมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตรึกครุ่นคิดในสิ่งแบบนี้บ่อยๆ อ, อันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐนะิกับสัมมาสังกัปปะเลยนะทีนี้พอไหมสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแค่นี้พอไหมไม่พ อ, พ, อพระองค์จึงแสดงเรื่องสิกขาบทตามลำดับต่อมาสิกขาบทนะสาคัญกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม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 นั้นถ้าเราปรารถนาความมั่นคงในพระตระตรายอย่างแท้จริงความสังวรเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกถ้าไม่สังวรเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยนะบอกได้เลยว่าความไม่สังวรเป็นข้อปฏิบัติผิดความสังวรเป็นข้อปฏิบัติถูกดังั้นศีลเนี่ยสำคัญต่อมาก็ถ้าผู้ที่มีศีลแล้วเนี่ยนะนั่งฟุง้งซ่านหรือเปล่าไ ม, ไม่สาธยายอาการสามสิบสอง เนี่ยพระพิสุสมัยพุทธกาลท่านก็สาธยายอาการ32คารวาสหลายกลุ่มก็สาธยายอาการ32เพราะว่าอาการ32นี้กําจัดอกุศลวิตกได้เป็นอย่างดีถ้าไม่สาธยายอาการ32เนี่ยจิตก็คิดไปเรื่อยส่วนใหญ่ไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนะพอเรียนเรื่องกรรมมาแล้วจึงจะสะดุ้งแล้คะ่ะเนี่นะแต่ถ้าไม่ค่อยคิดถึงบาปถึงกรรมคิดถึงเจตนาก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเราเลือกว่าทิฏฐธรรมนะอุปชาเวทนียกรรมนะอัปราประเวทนิยกรรมนะพอมาละเลึอกอย่างนี้เข้าก็นอนหลับไหมนึกถึงทิฏฐธรรมทั้งหมดในชาตินี้ที่ผ่านมาละ เ, เลิกถึงอุปชาเวทนิยกรรมทั้งหมดละ เ, เลิกถึงอัปราประเวทนิยกรรมมาเนี่ยนะละ เ, เลิกแล้วนั่งยิ้มอย่างมีความสุขไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยมากก็ไข่แทบจะขึ้นเลยนะ ความร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกุณอุไรขนาดนั้นไหมระลึกถึงแล้วมีความสุขเลยใช่ไหมกายกรรมวจีิก ร, รมมโนกรรมดวงที่หนึ่งเอ้ากระชั้นทําดีจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมมั่นใจเลยว่าดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นสุขแน่ดวงที่เจ็ก็ให้ผลเป็นสุขอีกนั่นแหละดวงที่สองถึงดวงที่6ให้ผลเป็นความสุขอีกอวัตตนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะเพราะเรามีบุญเป็นเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึง่งเป็นที่รักษาเราอยู่แล้ว แต่ถ้ายังไม่ขนาดนั้นถ้ายังไม่ขนาดนั้นก็มาหาอะไรให้จิตทำเนี่ยนะโดยเฉพาะกุศ ล, ลวิตกทั้งหลายควรเป็นอย่างมากนั้นอาการ32สองเนี่ยควรสาทยาย เ, เป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นการแสดงแบบมีส่วนเหลือถ้าแสดงอาการส2สองเนี่ยนะซึ่งเหมาะกับจริตประเภทไหนราคาจริตในคำพีเดียวกันเนี่ยคุถกะปาฐะแสดงเรื่องเมตตาเอาไว้เป็นลาดับสุดท้าย เพื่อให้เหมาะกับพวกที่เป็นโทสะจริตเนี่ยน ะ, สะแสดงเมตตานะเล่มนี้เรื่องสุดท้ายในเรื่องเมตตาเหมาะกับพวกโทสะจริตส่วนกุมารปัญหากุมารปัญหาก็เป็นการสแสดงพระธรรมตามโมหจริตเว้นพระอริยะเสียบุคคลที่เหลือก็โมหจริตกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนกันนะนีถ้าผู้ที่เห็นอริยสัน์นี้ทุกเป็นต้นเนี่ย เห็นญาติเดินมา ก, fik, น ก, ấy, ก็เออทุกนี้ทุกเออท่ายังงั้นก็แจ๋วแล้วนะนี eh uh, ่มหาพูดนี่เหตุเกิดมหาพูดนี้ความดับมหาพูดเอออย่างนี้แสดงว่าปัญญาเยี่ยมแต่ถ fails, people, ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็โมหะหมดนั้นม็อบพูดที่เป็นโมหะจริตนั้นควรที่จะมาคิดในอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสามอะไรคือสี่พวกนี้เป็นอาหารของปัญญาทั้งนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปนะตั้งแต่สาระการถึงสาระก็นับว่าเป็น มงคลเป็นมงคลข้อปูชาจะปูชนียานังด้วยนะแล้วก็เป็นมงคลข้ออื่นๆด้วยโดยเฉพาะการเห็นพระนิพพานเนี่ยนะก็อยู่ในการถึงสรณะก็เป็นมงคลนะศีลก็เป็นมงคลใช่ไหมอารติวิรติปาปามัชชะปานาจาัสนยโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเนี่ยนะก็อยู่ในกลุ่มศีลก็เป็นมงคลสมาธิก็เป็นมงคลใช่ไหมกตันยุตาเนี่ยกตันยูเนี่ยเป็นกรรมฐานนะ เช่นระลึกถึงเพราะกะตัญยูมีสองประเภทเดี๋ยวเรียนข้างหน้านะอันนี้ตัวอย่างไปก่อนว่ากตันยูมีอยู่สองอย่างกตันยูคือระลึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทําไปอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองระลึกถึงคนที่คนอื่นเขาทําดีกับเราันการระลึกถึงบุญที่เราได้ทํำไปเช่นระลึกถึงศีลระลึกถึงจาระนะเนี่ยของเราเนี่ยมามาทำบุญหลายวันครั้งนี้เนี่ยนะ เชื่อเลยว่าจารานุสติคงจะดีขึ้นดียังไงนึกถึงลเชียงใหม่เอาเชียงใหม่ก็ได้ให้ทานฟังธรรมและเลิกถึงลําพูนเอากกราบพระไหว้พระออาไปเป็นบุญใช่ไหมมีการทําพุทธบูชานั่นก็เป็นจาระของเรานึกถึงลําปางก็ได้บุญอีกอะนะเพราะจาระเวียนเทียนประทักษิณออาไปเป็นบุญอีกแล้วเลิกถึงแพร่ก็ยังได้บุญเลยไปทางเชียงรายก็ยังได้บุญอีกเพราะฉะนั้น ถ้าไปกรุงเทพอะ่ะภูเขาทองเออยังไรเอยก็หลายแห่งก็ได้บุญเลยไปถึงนครปฐมยังได้บุญอีกอะนะราะจาคานุสเติยก็ได้หลายแห่งสะสมไว้เถอะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําให้เราเดือดร้อนใจในภายหลังเอาให้มันเจจ๋วเท่าผู้การก็ได้ได้ไดทุกถนนทุกสอยเลยนะปล่อยปลาไว้หมดแล้วเหมือนกันี่นก็เอาให้ได้ขนาดนั้นนะพวกวิธีรละลึกผู้การเนี่ยนะนนก็จาคานุสติแบบผู้การอันเราก็แต่เมื่อเช้านี่ขอมาเห็นกบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไม่ทราบว่าใครปล่อยกบ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 ก่อนที่จะเรียนมงคลอย่างนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันในข้อหนะในข้อที่เทวดากล่าวเป็นคาถาคำถามว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีพาการคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้า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 ความกะตัญยูการฟังทำตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมความอดทนความว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาทำตามการนี่ก็เป็นมงคลอุดมตบะพรหมอจารย์การเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้ง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 ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แลมงคลอุดมของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลเนี่ยนะถ้าเป็นคาถาสุดท้ายบอกเลยใช่ไหมว่าถ้าใครทำมงคลได้ทั้งสามสบดมงคลไม่พ่ายแพ้แต่ข้าศึกในที่ทั้งปวงที่ไหนก็ไม่รู้จักคำว่าแพ้ นี่แหละนับว่าเป็นความปลอดภัยเป็นความสวัสดีอย่างแท้จริงนะสวัสดีครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับปฏิบัติในมงคลสามสิบแดเลยนะมันถ้าเราอยู่ในมงคลสามสิดใครไม่สวัสดีเราเราก็สวัสดีวันยังคำ น, นะเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริงมงคลสามสิบดนั้นใครที่ท่องได้สาธยายได้เป็นทั้งข้อปฏิบัติในชีวิตด้วย เตื่นเช้ามาสาธยายดูว่าวันนี้จะได้กี่มงคลตอนเย็นก็สาธยายอีกครั้งหนึ่งว่าได้อัปมงคลมากี่ข้อจะได้สะเดาะให้มันเรียบร้อยนะนะเพราะว่าอัปมงคลมาก็ต้องสะเดาะใช่ไหมสะเดาะด้วยการสมาทานใหม่ไล่ไปเลยนะการไม่คบคนพันหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี่เป็นอุดมมงคลสำนวนการแปลมีหลายแปลแต่แล้วแต่เราจะถนัดนะถนัด ที่จริงสองหน้าเองนะเนี่ยถ้าท่องในหน้าสองหน้านี้ก็โหชีวิตนี้ไม่ตกอับแล้วนะเอาไปตรึกเถอะเนี่ยนะตรึกเดือนละมงคลก็ยังไม่สายนะเดือนละมงคลเนี่ยนะเดือนละมงคลว่าเอนะ๊ถ้าครบคนพาแล้วมีเสียหายยังไงครบัณฑิตแล้วดียังไงเนี่ยนะเอาไปตรึกเอาไปใช้เถอะเนี่ยนะอย่างเราจะไปไหนสักแห่งหนึ่งนะเอนะ๊ไปหาคนไปเที่ยวเนี่ยได้กี่มงคลแล้วได้อัปมงคลเท่าไหร่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 เคยสนทนากันตั้งขบวดใหม่ๆว่านี่นะเราทำอะไรเราต้องนึกถึงนวัานี่ได้กี่มงคลนี่อัปมงคลกี่ข้ออะไรกี่ข้อมาสาธยายบ่อ ย, อยๆเอาไปใช้ได้ทุกที่นะคนอื่นเขาเพื่อนก็รับฟังเฉยๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานไอ้คนที่รับฟังเฉยๆก็อัปมงคลมาตั้งหลายข้อบอกนี่บอกไม่เชื่อเรา